เจ็ดอนัตตลักษณะสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตา59สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมารุกทายวันเขตกรุงพาราสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพระปัญจวคีมาตรัสว่าแล้วได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นอนัตตาถ้ารูปจกเป็นอัตตาแล้วไซ้รูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเวทนานี้จะเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น ก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงอย่าเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาถ้าสังขานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสังขานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และบุคคลพึงได้ในสังขารว่าสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะสังขารเป็นอนัตตาฉะนั้นสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในสังขารว่าสังขารของเราอย่าเป็นอย่างนี้สังขารของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นวิญญาณเป็นอนัตตา ถ้าวิญญาณจักเป็นอัตตาแล้วไซวิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้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 เวทนาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้น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 ย่อมเบื่อนายแม่นสังขารย่อมเบื่อนายแม่นวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วหยุดจบพรมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัส อนัตตลักษณะสูตรนี้จบแล้วพระปัญจวคีมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรณภาสิทธ์นี้อยู่พระปัญจวคีก็มีจิตหลุดพ้นจากอสวะเพราะไม่ถือมั่นอนัตตลักษณะสูตรที่เจ็จบ